เธอก็เลยตอบไปว่าท่านเอากุอินนั่นแหละนะเป็นพ่อของลูกในท้องพ่อแม่ของหญิงสาวโกรธมากนะตรงไปที่วัดทันทีแล้วก็ดา่าท่านด่าเส้เส้หายว่าเป็นคนเลวนะเป็นพวกมือถือสาปากือศีล น, นะเป็นพวกที่มากในราคะนะคนอย่างนี้นะไม่ควรจะบวชนะอยู่ต่อไปว่าสารพัดนะ ท่านเาคุยนั่นก็เพียงแต่พูดคําเดียวว่าอ๋ออย่างนั้นเหรอนะท่าไม่พูดอะไรมากกว่า น, นั้นต่อมาเนี่ยหญิงสาวก็คลอดลูกพ่อแม่ของหญิงสาวก็นําทารกเนี่ยไปให้ท่านเาคุยเลี้ยงบอกว่าเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบนะลูกของตัวตัวก็ต้องรับผิดชอบฉันไม่มาจะมาโดนพะไรฉันเป็นเด็กขาด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 เหมือนกับเป็นลูกตัวเองก็เรียกว่าเพิ่มงานให้ท่านมากมายทีเดียวกลางค่ากล า, างคืนก็ไม่ได้นอนนะเพราะว่าเด็กก็ร้องไม่เป็นเวลาแต่ท่านก็ดูแลเด็กนะโดยไม่ปรด ป, ปากบนตรงข้ามนะชาวบ้านในหมู่บ้านจานว น, นมากก็ก็ลือกันสัพัดแล้วก็ต่อว่าด่าทอท่านเพราะาสิ่งที่ ท่านทำนะตามคำกล่าวหาของอพ่อแม่หญิงสาวนี่มันมันแย่มากชาวบ้านก็เสื่อมศรัทธาไปเยอะแต่ท่านก็ตั้งนัางตาทากิจของท่านต่อไปนะรวมทั้งเลี้ยงดูเด็กทารกก็เป็นมาเงี้ยหลายเดือนนะจนทั่งในที่สุดหญิงสาวที่เป็นแม่ของเด็กเนี่ยก็ทำใจไม่ได้นะ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 คนเจตวั น, นคนสาวัตถีเชื่อทันทีเลยเนะชื่อทันทีเลยก็พากันโจ์จัน่นแล้วก็ต่อว่าด่าท้าผู้เจ้ า, อ ย, าอย่างเสี ย, สยให้หายแล้วก็ไม่มีการใส่บาตรพระนะเหมือนกับว่าบอยคอร์คว่มบาตรนะไม่ใส่บาตรพระภิกษุทุกรูปนะจาก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 กับเพื่อนในวงเล่ากํามังนะสายของประเจ้าเปรสติโกสนก็เลยมามาทูลให้ประเจ้าเปรสติโกส่น ท, นทราบเจ้าเปรสติโกส่ก็เลยสั่งจับนะข้าราการก็สารภาพนะพอสารภาพปุบเนี่ยนะข่าวลือก็ยุตินะคนก็กลับมาเคารพศรัทธาพระเจ้าเหมือนเดิมเราก็พระมาบินบ า, าบาทก็ใส่บาตรกันะเหมือนเดิม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 ประทับอยู่แค่อยู่ที่เชตวันตลอดที่มีข่าวลือแพร่สะพัดเราเคยสงสัยบ้างไหมเพราะธรรมดางคนเราพอถูกใส่ร้วก็ต้องทําให้โกรธนะหรือถึงโกรธก็ต้องพยายามชี้แจงว่าฉันไม่ผิดฉันไม่ได้ทําแต่ทําไมท่านนุกินตอบเพียงแค่ว่าอย่างนั้นหรือภูจานีเงียบเลยนั่นนี่ก็เพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยนะ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 พระองค์เนี่ยสามารถแสดงทําให้คนบรรลุธรรมได้มากมายนะเป็นร้อยๆแต่พอเจอดพอเจอนางกีสาก็จะมีอุ้มศพลูกมาเนี่ยพระองค์ไม่แสดงธรรมเลยนะอันนี้เป็นที่น่าสังเกตนะพระองค์กับผู้ว่าโพระองค์ช่วยได้ถ้าหากว่านางเนี่ยสามารถจะหาเมตรปปา ก, กาศจากบ้านที่ไม่มีคนตายมาให้นะเดี๋ยวเราจะช่วยเธอให้ลูกเธอฟื้นขึ้นมา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 ผู้เจ้าที่นี้เห็นแล้วแล้วว่านางเนี่ยพร้อมจะฟังธรรมละใจเปิดละก็เลยแสดงธรรมนะว่าว่าผู้ที่ว่าน้ำน้ำป่าเนี่ยยอมพัดพาผู้ที่หลับไหลฉันใดมรุตยูก็ย่อมพัดพาผู้ที่หลงไหลในลูกในทรัพสมบัตินะฉันนั้นนะพงแสดงธรรมสั้นๆเนี่ย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 ตรวจสอบว่าไอสิ่งที่ยืนนี้เป็นความจริงหรือเปล่าพวกเราเคยเป็นอย่างนี้บ้างหรือเปล่านะพอมีใครพูดอะไรมาในทางที่ลบในทางที่ร้ายเกี่ยวกับบุคคลที่3มเนี่ยนะโอ้เราเชื่อทันทีเลยแล้วตรงเข้าไปด่าเลยถ้าไม่ด่าได้ว่าจากก็ดาษทางไลน์ทางโซเชียลมีเดียเคยคิดจะถามบ้างไหมว่าสิ่ที่ได้ยินมาเนี่ยจริงหรือเปล่าน้อยนะแม้กระทั่งคนที่ปฏิบัติทําเองเนี่ยนะก็เชื่อง่ายนะ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 เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอารมณ์มันครอบงำแล้วแล้วพวกเราหลายคนนะที่ก็ทําบาปนะไปกล่าวหาคนนั้นคนนี้โดยที่ไม่ทันได้สอบถามเขาว่าจริงไหมเนะี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเนะีเวลาฟังเรื่องราวแบบนี้เนี่ยซึ่งหลายคนเคยคงจะเคยได้ฟังมาแล้วนะเรื่องนางสนทิ์เธคงจะได้ฟังมาแล้ว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 รวมทั้งเอามาเป็นข้อคิดได้ว่าเออคนเรานี่มันเชื่ออะไรง่ายๆนะถ้าเพียงแต่ถามสักหน่อยเนี่ยเช่นถ้ามีคนมาถามท่านทากุอินว่าจริงไหมว่าท่านเนี่ยเป็นพ่อของลูกในท้องหรือเป็นพ่อของทารกถ้ า, ากินก็จะตอบว่าอไม่ใช่แต่ไม่เคยมีใครถามถ้าคนมีคนมาถามพระเจ้าพระเจ้าเนี่ยข้านางสนท ร, รีจริงพคงจะไม่เนียพกงก็จะตอบว่า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 หรือหาความจริงอ่ะชาเนียเพืดอท่านนินะกรบาบพระ